ต่อไปว่าความประมาทความประมาทก็คือสมควรกล่าวนะความประมาทนี่แหละก็เรียกว่าทําให้โลกไม่ปรากฏความประมาทก็คือการปล่อยจิตความเพิ่มในการปล่อยจิตในการยัตุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือการปล่อยจิตไปในกามคุณห้าก็เรียกว่าประมาทปล่อยใจไปในเนี่ยอย่างเราได้ยินเนี่ยก็เรียกว่าประมาทนะพังเงินความประมาทปล่อยชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจ ลอยใจเพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสโภทะพระธรรมรม์เนี่ยอารมณ์ทั่วทไปเป็นที่ตั้งแห่งโลภะเป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าประมาทหรือความเป็นผู้ทําโดยความไม่เอือ้อเฟื้อความเป็นผู้ทําไม่ติดต่อความเป็นผู้ทําหยุดหยุดความเป็นผู้ประพฤติย่อหย่อนความเป็นผู้ปลงชันทะความเป็นผู้ทอดทุระความเป็นผู้ไม่ซ่องเสพความไม่เจริญ ความไม่ทําให้มากความไม่ตั้งใจความไม่ประกอบเนืองๆในการบําเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าความประมาทฉะนั้นความประมาทความมัวเมากิริยาที่มัวเมาความเป็นผู้มัวเมาเห็นตานี้เรียกว่าความประมาทเพราะฉะนั้นโลกที่ว่าไม่ปรากฏเพราะความตรนีเพราะความประมาทก็เพราะว่าโลกไม่ภัยโรดไม่สว่างไม่รุ่งเรืองไม่ภัยโรดไม่เจมกระจ่าง เพราะความตระหนี่นี้เพราะความประมาทนี้เพราะฉะนั้นที่ว่าโลกเนี่ยไม่ปรากฏเพราะความตระหนี่เพราะความประมาทต่อไปว่าคำถามที่ว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกเนี่ยนะที่พระผู้มีพระภาคตอบว่าเรากล่าวว่าตันหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกนะับปาเนี่ยมันฉาบทาไว้ ตันหาเรียกว่าชับปานะตัวชาบตัวทาน่นะตันหาก็คือความกำหนัดความกำหนัดนักความยินดีความพลอยยินดียินดีที่ตัวเองจะได้นะไม่ใช่ว่าคนอื่นได้ดีแล้วยินดีกับเขาไม่ใช่แต่ว่าพลอยยินดีที่ตัวเองได้อะความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิต ความปรารถนาความหลงรลุ่มหลงอ่ะนะรุ่มหลงเรื่องหน้าตัณหาเนะี่ยความติดใจความอยากความผัวพันธุ์ความคล่องความจมความหวั่นไหวความลวงธรรมชาติอันให้สัตว์เกิดเนี่ยตัวนี้แหละทําให้เกิดอะธรรมชาติอันให้สัตว์เนี่ยเกิดกับทุกธรรมชาติอันเย็บไว้ธรรมชาติเป็นดังคายธรรมชาติที่ไหลไปตามทวารต่างๆธรรมชาติที่สร้างไปในอารมณ์ต่างๆ ความเป็นผู้หลับความกว้างขวางธรรมชาติให้อายุเสื่อมความเป็นเพื่อนความตั้งใจเอาไว้ธรรมชาติอันเป็นเหตุนําไปสู่พบนั่นแหลไปสู่การเกิดในพบใหม่ธรรมชาติเป็นดังว่าป่าอยู่อย่างเงี้เห็นชัดเลยว่ามันเหมือนป่ายัางไงนั่นนหะธรรมชาติที่มันเหมือนป่าจริงๆอดูว่าที่ที่เราอยู่เนี่ย ถ้าเราจะข้ามเนี่ยแต่ละแห่งข้ามไปได้ยังไงเอ้าสมมติถ้าเราอยากจะข้ามเนี่ยนะเดินลุยไปเลยดิไม่ง่ายอ่ะปัญหาเนี่ยมันมันรกขนาดนั้นอ่ะพรันไม่ใช่ว่าจะออกมันได้ง่ายๆนะธรรมชาติเป็นเพียงดังว่าหมู่ไม้ในป่าความสนิทสนมความเยื่อใยมันเยื่อใยเนี่ยมันเขาว่ามันขนาดพากออกมาแล้วมันเยื่อใยมันอยู่เกาะติดไว้น่ะเสร็จแล้วแต่มันก็ตุกคืนอ่ะ มันเหมือนกับอะไรนะเหมือนสปริงอะ่ะมันมันมันมันปล่อยไปก่อนอะ่ะเหมือนหนังยืดอะ่ะเดี๋ยวมันรัดคืนอะ่ะก็ลองอันเนี้ยเส้นกระตุกคืนนะบอกว่าที่บ้านเขาโทรมาดูสินะนะกระตุกกลับทันทีเลยนะเกิดว่าขามาอาจจะมาเย็นเย็น่ะนะขากลับกลับรีบร้อนก็ได้มันกระตุกคืนอะ่ะเนี่นยงงมันเป็นอย่างไงยมันยื้อใหญ่มันยางเหนียวอะ่ะ ความเพ่งความพัวพันความหวังกิริยาที่หวังความเป็นผู้หวังก็หวังไปเนี่ยนะความหวังในรูปหวังในเสียงหวังในกลิ่นหวังในรสหวังในโพธาภะก็หวังไปเรื่อยนั่นแหละความหวังในลาบความหวังในทรัพย์ความหวังในบุตรความหวังในชีวิตนี่ยนะความกระซิบความกระซิบทั่วความกระซิบยิ่งกิริยาที่กระซิบความเป็นผู้กระซิบก็แล้วแต่มันจะกระซิบให้มันไปทําอะไรนะคือความกระซิบอื่นเว้นไว เวนไว้กระซิบเพื่อจะเจริญกุศลเนี่ยถ้าโดยทั่วๆไปแล้วมันกระซิบเตี้ยนะกระสิบด้วยอำนาจอกุศลทั้งนั้นด้วยโลภะเนี่ยความโลภกิริยาที่โลภความเป็นผู้โลภความที่ตันหาหวั่นไหวความเป็นผู้ต้องการให้สําเร็จความกําหนัดผิดธรรมดาความโลภไม่สม่ําเสมอความใคร่กิริยาที่ใคร่ความปรารถนาความทะเยอทะยานความประสงค์กา마ตันหาภวะตันหาวิภวะตันหา รูปปัตหารูปปัตนหานิโรธตันหาเนี่ยนะนิโรธตันหาก็ตันหาที่เกิดร่วมกับอุเฉธทิรูปปัตนหาสัธาตันหาคันธาตันหาราสะตันหาโพธะตันหาธรรมตันหาจานวนว่ามีอะไรมั่งมันไม่ชอบอ่ะนะโอคาโยคะคันธอุปาทานโอคาก็ทําให้สัตว์นี่จมอยู่ในวัตโยคะประกอบเอาไว้ยาคันธาก็ร้อยรัดอุปาทานก็ยึดถือแล้วก็กางกั้นห้ามไม่ให้เป็นกุศลอ่ะ เรียกวันนี่วรธรรมชาติเป็นเครื่องบังธรรมชาติเป็นเครื่องปิดธรรมชาติเป็นเครื่องพูกอุปกรณ์เนี่ยนะตัวที่ทําให้เศร้ามองเนี่ยนะเป็นอนุสัยคือมีกําลังรุนแรงแล้วก็เป็นปริยุท ธ, ธานคือกลุ่มรุมตรงนี้ก็ตันหา อ, อนุสัยกับปริยุท ธ, ธา น, นี่แสดงควบคู่กันก็แสดงว่าไม่ได้ต่างกันเลธรรมชาติเป็นเหมือนดังท่าว่าเถาวันความตนี่ห่วงแหนเนี่ยนะ ความเป็นมูลแห่งทุก์แดนเกิดแห่งทุกบ่วงมารเบ็ดมานวิสัยมานโคจรมานเครื่องผูกของมานตันหาเพียงดังว่าแม่น้ำเนี่ยนะตันหาเพียงดังว่าตาข่ายตันหาเพียงดังว่าสายโซ่ตันหาเพียงดังว่าทะเลถมไม่เต็มอนะ่ะเนี่ยนะถมเนี่ยแม่น้ำใหญ่ๆเนี่ยจะ ก, กีสายก็ถมทะเลเต็มไหมไม่เต็มเนี่ยนะ ทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะถมให้เต็มไหมพอไหมดูให้มันพอเนี่ยนะพอไหมฟังซะให้พอดมซะให้พอกินซะให้พอไม่มีพอเนี่ยนะเคยคิดไหมว่าเออเนี่ยมือนี้เป็นมือสุดท้ายเคยคิดไหมไม่มันหวังต่อผูกพันต่อไปอย่างนงัแหละมันเหมือนเหมือนทะเลจริงๆเห็นไหมอภพิชาความเพ่งแรงเนี่ยนะโลพาอากุศลมูลเรียกว่าชับตาคือตันหา ตันหาที่กล่าวไปนี่แหละเป็นเครื่องชาบทาเป็นเครื่องพ้องเป็นเครื่องผูกเป็นอุปกิเลสของโลกนั่นแหละใครมั่งไม่ถูกตันหาฉาบเอาไว้นะฉาบแปะไว้ทวานต่างๆอะ่ะตันหาเราียกว่าโลกคือเราท่านทั้งหลายนี่แหละโลอันตันหาเนี่ยไลทาฉาบทาให้หมองให้เศร้ามองให้เปื้อนละคนเอาไว้คล้องไว้คล้องเอาไว้พัวพันเอาไว้ เราย่อมกล่าวบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้ตื่นประกาศเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าตันหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกทีนนี้ก็ลักษณะว่าสัตว์ที่ไม่ยอมหลุดจากวัตฏะอยู่ในวัตฏะจมอยู่ในวัตฏะอยู่ในห่วงแห่งทุกข์อย่างนี้ก็เพราะตันหาในนั้นมันฉาบทาเอาไว้แต่ว่าถามว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกล่ะก็บอกว่าทุกข์นั่นแหละเป็นภัยใหญ่ของโลก ตันหาฉาบเทาเอาไว้เมื่อตันหาฉาบเท้ า, เาไว้ก็ที่เหลือก็ทุกอย่างเดียวนะก็ขอสัมนวนว่าขอให้ให้เหมือนกับว่าเป็นอะไเป็นสถานที่ที่มันอันตรายเนี่ยนะสร้างจินตนาการให้คนฝักไฟไฟฝันที่จะไปอยู่ณดินแดนแห่งนั้นดินแดนที่มันทุกเนี่ยนะสารพัดทุกเนี่ยบอกว่าถ้าจมลงไปในนั้นะ่ะหลุดเข้าไปในนั้นอะเอาล่ะครับนี้ ก็เหมือนเนี่ยตัณหามันฉาบทาพาให้มาเกิดเ่ยนะตัณหาเนี่พาเกิดใช่ไหมพอเกิดมาแล้วก็ทุกประดังเข้ามาแล้วเนี่ยประดังเข้ามาถึงความทุกข์คำว่าทุกทุกคืออะไรก็คือความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความเจ็บก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกขั่นแหละพันธะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะที่ตั้งของ ต่อไปก็โศกะปริเตวะทุกขโทมนัตและอุปายาตนั้นทุกเหล่านี้ไม่ค่อยกันดานเลยนะทุกรูปทุกน้ำเลยแหละเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์นั่นแหละเดี๋ยวก็เศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจอยู่นั่นแหละไอ้ขับแค้นใจเนี่ยนะกาว่ามันทุกพูดไม่ออกอ่ะการว่ามันอับอั้นบัญใจนะปัญหาที่เรียกว่าพูดไม่ได้ พดไม่ออกบอกไม่ถูกแต่รู้ว่ามันทุกข์อ่ะรู้แต่ว่ามันไม่สนุกอ่ะนะนั่นเนะรียกว่าอุปลายยากทีนี้ถ้าไล่ตามพบละ่ะก็ทุกข์ในนรกก็ทุกข์ล่ะทุกข์ในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานทุกข์ในเปรติวิสัยเนี่ยนะอบายทั้งหลายเนี่ยก็ทุกข์ทั้งนั้นนะนะเอาไหมล่ะอู้ชอบดูนกเอาเป็นนกเองเอาไห ม, ไมน่าสนใจว่าชอบดูปลาเอาไหมล่ะเป็นปลาเองอยู่ในอ่างนั่นแหละเอาไหมไม่เอาเองนั่นแหละเพราะนั้นก็ทุกข์ขนาดไหน แสดงว่าเราก็คนทั้งหลายก็ซาดิษโคมกันนะชอบดูเขาทุกข์อ่ะอชอบดูเขาตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะมันดูมวยแหมอยากให้หมัดเดียวล้มไงายพลานะถามว่าเอาไหมล่ะที่จะเป็นเองอันนั้นอนะ่ะหมัดเดียวซอยร่วงเลยอย่างนั้นก็แต่ความทุกข์เหล่านี้เนี่ยก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งหรือแม้กระทั่งทุกในหมู่มนุษย์ หรือทุกมีการก้าวลงสู่คันเป็นมูลเนี่ยนะทุกพรอยู่ในคันอะ่ะดูนะทุกพรตั้งอยู่ในคันทุกเพราะถ้าบริหารคันะ่ะถ้าแม่บริหารคันทุกถ้าคันวิบัติอะ่ะอย่างสมัยนี้เนี่ยเขามีการตรวจ ด, ดูคันในตรวจ ด, ดูเด็กในคันได้มากละเมื่อมากมันก็มีโรคหลายๆตัวที่เรียกว่ายังอยู่ในคันนั่นแหละผ่าท้องออกมาผ่าตัดเด็กผ่าตัดแล้วก็ยัดเข้าไปในคันใหม่ แล้วก็พอวันคลอดก็ผ่าออกอีกครั้งหนึ่งนี่นะมันก็โอ้ยคนที่เป็นแม่ก็ถูกผ่าไม่รู้กี่รอบต่อ ก, กี่รอบลูกนี่เกิดถูกผ่าตัดตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนะแต่ว่าทุกเพราะการบริหารคันหรือทุกเพราะคันวิบัติไยนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยคันมันวิบัติไม่มีการผ่าแบบสมัยนี้ใช่ไหมมันก็พอทีจะคลอดมันก็ขวางเอาไว้อะนี่นะเพราะว่าไม่ไหลไปตามคลองอนะมันก็ขวางอะ่ะเพราะขวางอะไรจะเกิดอนะ ที่ก็ร้อนรดนกวนกวายจะตายเอาทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็ทุกการออกจากคันทีนี้พอคลอดออกมาแล้วนะก็ทุกมาเนื่องอะไรผู้เกิดพอเกิดมาก็ทุกและทุกเนื่องแต่สัตว์แห่สัตว์อื่นแห่งสัตว์ผู้เกิดทุกแต่ความเพียรของตนทุกที่เกิดจากความเพียรของผู้อื่นจํานวนว่าทุกเพราะตัวเองไม่พอก็ไปหาตัวทุกเข้ามาอยู่ด้วยนะก็เลยทุกกันใหญ่เลยแต่แบ่งไปแล้วก็ถ้าทุก์ที่กล่าวไปทั้งหมดนะก็แบ่งก็คือทุกทุกข์คือทุกทางกาย นะทุกเพราะเจ็บใจนะทุกเพราะไม่สบายกายไม่สบายใจเจ็บกายเจ็บใจหรือสังขาระทุกทุกเพราะไม่เที่ยงกับทุกเพราะแปรปรวนทีนี้ทุกทั้งหลายถ้ามองเห็นเห็นก็เนี่ยโรคภัยทั้งหลายที่มันเกิดเนี่ยโรคตาหูจมูกลิ้นกายนะมีหัวก็ปวดหัวมีหัก็โรคหูมีปากก็โรคปากมีฟันก็โรคฟันมันชูเคยไปถอนไหมเคยปวดฟันก่อนอ๋อนั่นแหะโรคฟันนะนี แปรงเนี่ยโรคฟันก็คิดดูอะ่ะมันโรคขนาดไหนก็ล้างเช้าล้างเย็นล้างมันไม่รู้กี่รอบสกี่รอบเดี๋ยวก็อุดเดี๋ยวก็สรารพัดอ่ะนะเดี๋ยวก็จิ้มฟันมั่งเดี๋ยวก็ถูฟันมั่ง <ๆ S 2> เดี๋ยวก็แปรงฟันมั่งเดี๋ยก็บ้วนอ่ะนะโรคจริงๆอ่ะนะดูแลไม่มีจบมีสิ้นนะเดี๋ยวก็มีคอก็โรคไอมีเกี่ยวกับเรื่องเพศก็โรคเกี่ยวกับเรื่องเพศเข้ามาล่ะโรคมองค้อมีจมูกกระฤสีดวงจมูกมีกายก็ร้อนในใช่ไหมร้อนหรือเปล่า าแล้วนะตอนนี้อากาศเยน็นะเกิดมาก็แก่เอกเนี่ยนะมีกายก็โรคแก่มีท้องก็โรคท้องแต่ว่าโรคสลบโรคลงแดงมีจุกเสียดโรคลงท้องนนะโรคเรือนโรคฝีเป็นกรากมีจมูกทางเดินลมหายใจของหอบหืดลมบ้าหมูเนี่ยนะหิดด้านหิดเปื่อยคุธราดลำละลาดคุธราดใหญ่อจีนมาเป็นเลือดโรคมีดีก็โรคดีนะน โรคเบาหวานฤทธิ์สีดวงทวารโรคต่อมโรคบานรโรคหรืออาพาธที่เกิดจากดีเกิดจากเสมหะเกิดจากลมหรือว่าเกิดเพราะดีเสมหะลมประชุมกันหรือเพราะอุตุแปรปลุนเนี่ยนะจากหนาวไปร้อนจากร้อนไปหนาวเนี่ยก็ทําให้ป่วยให้ใครได้หรืออิรียบริหารอิรียบทไม่สม่ําเสมออาพาธที่เกิดจากความเพี้ยนหรือโรคที่เกิดจากกรรม ทีก็ความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความปวดอุจาระปวดปัสสาวะทุกที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานทั้งหลายนะครับว่าโรคภายในนี่ก็หนักนาสาหัสเต็มทีเลยนะทีนี้คนไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมเกี่ยวมีพ่อมีแม่ถ้าพ่อแม่ตายเป็นยังไงมันจะอยู่กับพ่อพ่อตายก็เป็นทุกอยู่กับแม่แม่ตายก็เป็นทุกมีพี่น้องชายพี่น้องชายตายก็เป็นทุกมีพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงตายก็เป็นทุกข มีลูกลูกตายก็ทุกมีลูกชายตายก็ทุกลูกสาวตายก็ทุกเนี่ยนะมีญาติเสียญ า, าติก็ทุกเนี่ยนะหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยนะสำนวนว่าถ้าญาติชิบหายญาติก็คือเช่นนะ่ะญาติตายหมดหรือตัวเองต้องพลัดพรากจากญาติเนี่ยนะหรือมีโภกสมบัติเสียหายก็ทุกเนี่ยนะมีรถน่ยนะลงไปแล้วรถไม่อยู่กับที่แล้วจะยังไงนะีทุกหรือจะโศกเศร้านะยิ้มไม่ออกอยู่แล้วใช่ไหม หรือว่าชิพหายเพราะโรคอะนะบอกว่าไปตรวจเข้าเนี่ยคุณโรคนั้นโรคนี้สรารพัดโรคอะนะบางคนไม่ยอมไปตรวจกลัวจะรู้ว่าตัวเองมีโรค น, นะนั้นพอบอกว่าได้ข่าวว่าโรคอะนะถ้ามะเร็งมันอยู่เฉยเไม่ได้ตรวจพบน่าอาจจะอายุยืนอีกหน่อยใช่ไหมตรวจพบแลนะ้วมันน่ะทาใจไม่ได้เลยตายเร็วเลยไนงะหรือบางคนก็เสียศีลก็ทุกเพราะเสียศีลศีลขาดเนี่ยนะเสียทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ทุกเพราะไอ้มิจฉาทิฏฐินั่นแหละมันเกี่ยวข้องกาาับอะไรไม่เป็นทุกข์มีไหมล่ะ เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยเกี่ยวข้องกับยุงยังกัดเอาเลยเอ่ะนะมีเท้าก็ทุกข์เพราะเท้ามีมีทั้งหลายอ่ะทุกข์อ น, นะเพรานทุกข์เนี่ยมันเป็นภัยใหญ่ของโลก